ออวันนี้จะได้อธิบายในเรื่องสิงคาละกะสูตรคือประสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สิงคาลมานพในตอนต่อไปประสูตรนี้ท่านใช้คําว่ากิหิวินัยคือเป็นหลักปฏิบัติสําหรับชาวบ้านผู้ปรองเรือนซึ่งท่านผู้ฟังที่ได้ฟังมาในตอนก่อน จะเห็นได้ว่าในตอนต้นนั้นก็เป็นการปรับความประพฤติตัวเองโดยการเว้นจากกรรมกิเลสสีประการคือฆ่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิดในการพูดชิดและเว้นจากอากติทั้งสีประการคือไม่ลำเอียงเพราะรักใคร่กันเพราะไม่ชอบการพราะกัวเปรดมและในขณะเดียวกันก็ให้งดเว้น จากทานแห่งความเสื่อม6ประการที่เรียกว่าอบายมุกด้วยความเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรคราดทําการงานเที่ยวกลางคืนพอต่อจากนั้นก็แสดงฐานะของคนเราที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นพอทรงสอนเรื่องการเลือกคบมิตรมิตรที่ควรเว้นสี่จำพวก กับมิตรที่ควรประพฤติสควรคบหาสมาคมสีจ่จมพูกพอมาถึงอีกจุดหนึ่งคนเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนเราอื่นเป็นอันมากซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้คำว่าทิศทั้ง6คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างก็เป็นการกำหนดทิศ ในพระธรรมวินัยโดยอาศัยการไหว้ทิศของสิงคาลมาโนบเป็นหลักในการแสดงถือว่าเป็นการปฏิรูปแนวความเชื่อถือในยุคสมัยนั้นเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยเริ่มที่ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดามารดาบิดาที่ได้ชื่อว่าเป็นทิศเบื้องหน้านั้น เพราะว่าเป็นผู้ที่บุตรพบเห็นเป็นคนแรกฐานะข้งมารดาบิดาทางศาสนายกจ้องไว้เป็นพิเศษในฐานะที่เป็นบุรพาาจารย์คืออาจารย์คนแรกในฐานะที่เป็นพรหมคือประกอบด้วยเมตตากรุณามู้จิตตาอุเบกขาต่อลูกตามสมควรแก่กรณีในฐานะที่เป็นมิตร ภายในเรือนในฐานะที่เป็นผู้ใจดีในฐานะที่ให้กําเนิดและในฐานะที่เป็นผู้เกิดฐานะที่สําคัญซึ่งไม่มีการยกย่องคนอื่นมียกย่องเฉพาะมารดาบิดานั้นคืออาหุเนยยาจปุตตาหนังได้แก่เป็นพระรหันต์ของบุตรชิดาโดยความหมายในทางปฏิบัตินั้นหมายความว่า มันดาบิดาของลูกชายหญิงคนใดก็ชื่อว่าเป็นพระหัน์ของบุคคลนั้นพระหันแปลว่าผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ท, ทั้งหลายมารดาบิดาอาจจะมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเยี่ยงสามัญชนแต่โดยปกติแล้วสมา บ, บ ธ, ธิดาก็ไม่แสดงในรูปของกิเลสแต่แสดงในรูปของธรรมะ จึงถือว่าเป็นพระอระหันต์การบูชาการยกจ้องการอุปถากต์บำรุงมารดาบิดาจึงมีค่าเท่ากับอุปถากต์าำรุงยกจ้องพระอระหันต์ซึ่งหมายความว่าก็เป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับขีหิวินยัยคือวินัยของผู้ครองเรือนว่าคนเหล่านั้นก็พบพระอระหันต์อยู่ตลอดอยู่ใกล้ชิดกับพระอระหรันต์แต่ว่าการมีการหมัน่นมีการพยายามที่จะบํารุง โอเใจใส่ต่อมารดาบิดาก็ชื่อว่าอุปถาความรุงพระอาหารหันต์อยู่ตลอดแล้วก็กลายเป็นกองบุญใหญ่ที่เป็นความสุขความสวัสดีของโลกในที่นี้ทรงแสดงหน้าที่ซึ่งลูกจะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดาคือเราต้องทำกิริยาก่อนนะฮะแล้วก็รับปฏิกิริยาทีหลัง คือหนึ่งท่านเลี้ยงมาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบก็า ม, มาเลี้ยงดูในความหมายทางศาสนาก็หมายถึงว่าเลี้ยงดูในด้านร่างกายของท่านบํารุงอุปถากบํารุงสุขภาพพลานามัยของท่านอีกประการหนึ่งก็คือเลี้ยงดูรักษาจิตใจของท่านซึ่งในชั้นนี้เราจะพบว่าลูกทุกคน ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงจะเลี้ยงดูมัรดาบิดาได้จะอยู่ในวยัยใดก็เลี้ยงดูได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการรักษาหนังใจท่านอย่าให้ท่านเสียใจยอย่าให้ท่านทุกข์ใจอย่าให้ท่านไม่สบายใจเพราะการกระทําของลกูกเป็นการให้อาหารใจแก่ท่านแต่ก็ช่วยทํากิจการงานต่างๆของท่านตั้งที่โดยมองเห็นการงานเหล่านั้นด้วยตัวเองแล้วช่วยเหลือ โดยการขอร้องหรือการสั่งของท่านไปช่วยเหลือทํากิจการงานเหล่านั้นให้แก่ท่านการที่สามก็ดำรงวงสุลหรือสืบต่อวงสุลท่านที่เราเรียกว่าการผิดประเวณีในศีลข้อที่ห้าลข้อที่3 คือหมายถึงว่าเป็นการทําการสืบสายสกุลให้สับสนเช่นว่านายกันนายขอเป็นสามีพัญญากันและนายคอมาเป็นชู้กับนางขอได้ลูกก็มาสกุลก็สับสนหมดเลยเลยไม่รู้ลูกต้าหลอกใครเขาเรียกผิดประเวณีคือทําสายสกุลเขาให้สับสนและถือว่าเป็นบาปอย่างแรงประกันเพราะ ก, การดํารงวสกุลจึงหมายถึงว่าเป็นการสืบต่อสกุล ของตนให้ดำรงอยู่ที่ท่านแบ่งบุตรทิดาออกเป็นสามฝ่ายอย่างที่เคยกล่าวมาครั้งหนึ่งว่าเป็นบุตรที่เกิดมาผานสกุลเรียกว่าอวชาติบุตรบุตรธิดาที่เกิดมารักษาสกุลบ่งแล้วก็บุตรทิดาที่เกิดมาเชิดชูสกุลบ่งการรักษาสกุลจึงหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นอนุชาติบุตรคือต้องเป็นลูกที่รักษาสกุลไว้ได้ อย่าให้ถึงกับเป็นเอ า, เ ป, อาเป็นอาวุชชาตบุตรคือเป็นลูกที่ทําลายสกุลแต่ถ้าหากว่าสามารถที่จะเชิดชูดสกุลวงให้เด่นขึ้นโดยการทําตนเป็นอภิชาติจ้บุตรก็เป็นความดีเป็นความพิเศษของคนเหล่านั้นแด้ประการต่อไปก็คือวางตนให้เหมาะสมแก่การที่จะรับทรัพย์มรดกสืบต่อจากพ่อแม่รักษาทรัพย์มรดกตัวนั้นเอาไว้ให้ได้ เออทางในด้านขนบธรรมเนียมคุณสมบัติของตระกูลแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุสิ่งของก็ต้องรักษาทั้งสองด้านประการสุดท้ายเมื่อท่านทำกาละกิริยาไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้ที่เรียกว่าปุพเปเตปารีซึ่งท่านจะเห็นว่าธรรมะส่วนนี้คือระดับนี้ พระพุทธเจ้าแสดงตั้งแต่ปีแรกที่ทรงจัสรุลคือแสดงแก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นองค์แรกเรียกว่าเปตะเปตะผรีหรือว่าทักษินานุปาทานเื็การอุทิศกุศลให้แก่ผู้ที่วายชนไปแล้วมันดาบิดาเมื่อบุดอเจใสเลี้ยงดซงูซึ่งหมายความว่าเป็นการสอนให้ลูกสร้างกิริยาขึ้น โดยต้องการปฏิกิริยาคือการสนองตอบในทางที่ดีไม่ใช่ว่ากะเก์ให้คนอื่นปฏิบัติ ด, ดีงามต่อตอนเองโดยตนเองไม่ได้สร้างกิริยาอะไรขึ้นมาเหมือนกับเราต้องการให้เพื่อนยิ้มไปเราแต่เราหน้าบึ้งกับเขาก็ยิ้มไม่ออกเราก็ต้องสร้างกิริยาขึ้นมาแล้วเราก็รับปฏิกิริยาในรูปเดียวกันแ้คือหนึ่งหน้าที่ของมารดาบิดา แต่ทรงใช้คำว่ามารดาบิดาเมื่อบุตรได้บำรุงชนีแล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถานห้านะถูกไหมความาเราต้องสร้างขึ้นมาก่อนไม่ใช่รอให้ท่านสัานโดยการห้ามไม่ให้ทำความชั่วนี่ก็เป็นหน้าที่เป็นธรรมของผู้ที่เป็นมารดาเพราะว่ามารดาบิดาใดก็ตามที่เกิดลูกมาแล้วไม่อบรมสั่งสอนไม่ห้ามปราม ถือว่ามารดาบิดาเป็นศัตรูเป็นศัตรูที่ทำลายชีวิตทำลายอนาคตของลูกแล้วก็สอนให้ประพฤติปฏิบัติในความดีถึงเป็นหลักสำคัญแต่ว่าที่สาคัญที่สุดก็คือมารดาบิดาจะต้องมีพื้นความรู้แยกให้ออกว่าอะไรเป็นความดีความชั่วไม่จะเข้าทํานองสอนลูกให้เป็นโจรอย่างนิทานโบราณที่ท่านเล่าไว้ แล้วก็ให้ศึกษาศิละปะวิทยาอันนี้เป็นภาระหน้าที่ประการหนึ่งหรือเป็นธรรมประการหนึ่งของมารดาปิดาที่จะต้องส่งเสริมลูกของตนให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความรู้สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยการให้ศึกษาศิละปะวิทยาตามกําลังความสามารถที่จะกระทําได้แล้วก็ มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยคำว่าสมัยนั้นท่านแบ่งเป็นสองอย่างก็ออนิจจะสมัยกับกาลสมัยก็มานิจจะสมัยนั้นก็คือให้ในคราวที่เป็นเรื่องปกติให้ทรัพย์สมบัติตามปกติค่าขานมค่าเสื้อผ้าค่าอาหารค่าสมุิตินทรสอเป็นต้นแล้วกาลสมัยก็คือให้เมื่อคราวที่จะให้ลูกตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐาน หรือให้การลงทุนอะไรต่างๆมาให้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้หรือมอบบารดกให้นี่ก็เป็นงานที่มารดาวิดาจะต้องทำต่อไถ้าหากว่าปฏิบัติโดยไี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าบุรพธิตคือชิดเบื้องหน้าชื่อว่ากุลระบุตรกุลธิดาได้ปิดแล้ว แต่จะถามว่าปิดอะไรคือปิดเวรปิดภยัยปิดอันตรายปิดความเสื่อมเสียเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นในทิศนี้ทิศประการต่อไปก็คือทิศเบื้องซ้ายที่เปรวมิตรรือเพื่อนอซึ่งเราจะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนด้วยความอุ้อเฟื้อเห็นว่ามีความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อน ซึ่งแสดงอัธยาศัยเมตีที่แท้จริงออกมาไอ้ความเป็นมิตรนี้ก็อย่างที่ทรงแสดงไว้ในตอนต้นแล้วว่ามันดูยากจึงจำแนกออกไปเป็นมิตรปอกลอกมิตรหัวประจบมิตรดีแต่พูดมิตรจักชัวในทางจิตใจแต่นั้นเราก็สร้างปฏิสิ่สร้างกิริยาขึ้นในรูปของความรักความปรารถนาดีแล้วไม่เจตนาที่จะ ก่าวอะไรให้พูดจาอะไรให้คลาดเคลื่อนจากความจริงคือหมายถึงว่ามีความสัตย์ต่อกันนั่นเองแล้วก็อุปการะช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งเขาเมื่อเขาประสบภัยอันตรายต่างๆและก็วังตนเสมอต้นเสมอปลายเรืนี้ว่าถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่พอมีอิทธิพลมากทีเดียว คนบางคนอาจจะรักใคร่สนิทสนมเป็นเพื่อนฝูงกันมาแต่เล็กแต่น้อยแต่ว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งจริญเข้าหน้าไปก็วางตัวห่างไกลออกไปไม่ประพฤติตนให้เสมอต้นเสมอปลายเพื่อนก็ถอยห่างออกไปแล้วทรงแสดงว่ามิตรที่กุลระบุตรก็หมายถึงกุลธิดาด้วยนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้แสดงแก่ผู้ชายแต่นั้นเอง มิตที่คุณระบุบำรุงเช่นนี้แล้วก็ย่อมอนุเคราะห์คุณระบุคุณลติดาด้วยสถาน5คือรักษาเพื่อนผู้ประมาทเช่นห้ามปรามเพื่อนเวลาเพื่อนเกิดความพลั้งพลาดเกิดความหลงเกิดความเหลวไหลออกไปนอกรูนอกถางต้องห้ามปรามต้องปกป้องเพราะงั้นเพื่อนที่ดีจึงมักจะไม่คลอยตามอะไรเราหนักคอยตามกันในบางเรื่องเท่านั้นเอง ไอ้เพื่อนที่ค้อยตามพวกขุนพลอยพยักทั้งหลายให้ระวังหรือมันไม่ใช่คนดีจริงพวกนี้ดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามพวกเป็นพวกมิตรประเภทหัวประจบอย่างที่ว่าดัางนั้นถ้าหากว่าเป็นกัญญาณมิตรกันแล้วจะไม่ตามเสมอไปแต่จะต้องมีการท้วงมีการติงมีการสอดแทรกมีการขัดจังหวะกันตามสมควรแต่ว่าเป็นกุศลเจตนาของเพื่อนที่ปรารถนาดีต่อมิตร รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนที่ประมาทซึ่งอาจจะเพราะเป็นการหลงเลิมเพราะทอดชิ้งหรือว่าช่วยดูแลบ้านช่องเป็นต้นวยามเวลายามมีภัยพิบัติขึ้นมาก็ไม่ทอดชิงอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์น้ำใจมิดนะฮะมันก็ดูกันตรงเนี้ยอย่างที่โบราณท่านบอกก็เห็นกันเมื่อค่ายให้กันมาทุกข์มันพิสูจน์กันได้ตรงนี้เอง บางครั้งบางคราวเราก็ดูกันไม่ค่อยออกอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าหรือคนที่มีอำนาจหรือคนที่ร่ํารวยเป็นคนที่มีทุกข์มากที่สุดคือไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรที่แท้แล้วก็เป็นศัตรูในร่างมิตรบางครั้งบางคราวกว่าจะรู้ก็สายเกิดไปดนะแสดงหรือบางทีท่านจะเห็นว่าประธานาธิบดีบางคนนายทหารคนสนิทปฏิวัติเราเองในต่างประเทศนี่จับขังคุกบางคนยังไม่ออกกระป๋านนี่ ก็มาอยู่ในร่างของมิตรอยู่ตลอดแต่เอาขจริงแล้วแกก็ดัดหลังเลยเมื่อมีกิจธุระเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเต็มที่แล้วข้อสุดท้ายก็คือนับถือนับถือตลอดวงวานญาติมิตรสนิทสนมกันต่างๆถึงลักษณะเหล่านี้ท่านทั้งหลายคงนึกออกว่าในสังคมไทยเรานี่ยมันมี ในความนิยมอย่างหนึ่งคือเป็นเกลือกัน เ, ออเป็นจุดจะเป็นความคิดที่เริ่มมาจากอะไรก็ตามแต่เข้าใจว่าเป็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันมีสหายสหายอยู่สองจำพวกก็เรียกว่าอาทิตถาปุพพสหายคือสหายที่ไม่เคยเห็นกันเลยแต่ก็เป็นสหายกันโดยเขวัดกันที่ไัยฐานะทางทรัพย์สินฐานะทางความรู้ ก็สืบข่าวพอรู้เรื่องกันแล้วก็ส่งไอสิ่งของเข้าไปขอความเป็นสหายแล้วเขารักกันจริงซึ่งเป็นเรื่องแปลกอย่างท่านาพัฒวดีเศรษฐีซึ่งเป็นสหายของกลุ่มของโ ค, โคสุขโคสกเศรษฐีเป็นสหายที่ไม่เคเห็นกันบ้านเศรษฐีพัรวดีเศรษฐีเกิดไอไข้ไข้หาระบาดเหลืออยู่สามคนพ่อแม่ลูก มาเพื่อจะพึ่งเพื่อนแต่มาก็ตายทั้งสองคนพัวเมียยังเหลือลูกสาวคนเดียวลูกสาวเข้าไปแต่ว่ากว่าจะรู้จักกันนานนะฮะปโคศกรู้ว่าเป็นลูกของเพื่อนแต่นั้นเอามาเป็นลูกสาวตัวเองเปไปเลแล้วก็รักแบบลูกสาวตัวเองอันนี้ก็เป็นแนวที่แปลกฮะโบราณนั้นมีจุดเชื่อมอะไรเอาไว้แล้วพอเป็นเกลือหรือเป็นสหายแต่บ้านเรามักจะเรียกเป็นเกลอสหายอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้จักกัน อายุทรัพสมบัติฐานะอะไรก็ปูนเดียวกันก็มาเป็นสหายกันแล้วพอเป็นสหายหรือเป็นเกลือกันแล้วมันก็นับถือกันหมดคือคือเป็นคนหลายพ่อหลายแม่หลายพี่หลายน้องมันเยอะแยะไปหมดปัจจุบันนี้ก็หายไปจึงก็เป็นที่น่าจะได้นะฮะเพราะเป็นจุดเชื่อมโยงทางใจที่มีความสำคัญแล้วรู้สึกว่าแต่ละคนก็รู้สึกว่าคนนั้นเป็นน้องเป็นพี่เป็นเพื่อนจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นคนนอกอะไร จะทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นในสังคมย่อยๆอย่างสังคมชนบทอย่างนี้หมู่บ้านหนึ่งก็มีเกลือกันหลายคนก็สบายเนี่ยมีกิจการงานต่างๆเกิดขึ้นก็ช่วยเหลือกันได้แต่ปัจจุบันก็ให้หายไปก็ชอบคนดีนี้ก็เป็นทิศเบื้องซ้ายถือว่าเป็นมิดถ้าว่าปฏิบัติ ต, ต่อการโดยความเอื้อเฟื้อเช่นนี้ก็ทรงใช้คําว่าอทิตเบื้องซ้ายอันกุลระบุรปิดไปแล้ว โดยการปฏิบัติเช่นนี้คือปิดเวรปิดภัยนะฮะปิดความเป็นศัตรูกันปิดอันตรายทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ก็ต้องสร้างกิริยาเหมือนกันนะฮะคือไม่จะไปรอปฏิกิริยาจากอาจารย์เป็นหน้าที่ที่เราสอนให้คนตรหนักในหน้าที่ของตนก็คือ แต่ต้องเราต้องนึกถึงไอ้ระบบทางสังคมนะฮะว่าสังคมในสมัยพุทธกาลนั้นการเรียนเนี่ยลูกศิษย์ข้าไปอยู่ในสำนักครูเป็นการข้าไปอยู่ในสองแบบแบบหนึ่งก็เรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าช่วยเหลือแบบลูกหลานคืออยู่กันภายในบ้านช่วยตักน้าําผ่าวฟืนหุงหาหารอะไรแต่ไรพร้อมแต่ใกล้ชิดอาจารย์พวกนี้ส่วนมากจะเรียนได้ดีอีกกลุ่มหนึ่งส่วนมากเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกมหากษัตริย์จะเรียนแบบให้เงิน ไม่ต้องช่วยทํางานอะไรแต่สรุปก็อยู่ในบ้านของอาจารย์ก็เป็นครอบครัวกันเป็นครอบครัวขนาดใจที่เขาเรียกที่ศาป่ามโมกเพราะงาั้นหน้าที่ที่ทรงแสดงจึงทรงแสดงว่าโดยลุกขึ้นยืนรับหมายความว่าเวลาอาจารย์มาเนี่ยก็ลุกขึ้นยืนรับเราก็ใช้ธรรมเนียมนี้กันพอสมควรจะในปัจจุบันก็ลูกศิษย์อาจารย์จะเดินจนกับตกท่อบางทีหายไปไหนไม่รู้ เออไม่มีการแสดงความเคารพกันอย่างก่อนอาจารย์มาก็นั่งเฉยบางทีเรียกยังไม่ได้ยินโดยคอยรับใช้ซึ่งก็หมายถึงว่ามีอะไรอาจารย์มีกิจการงานอะไรลูกศิษย์ก็ต้องคอยรับใช้อันนี้ก็หายากนะฮะลูกศิษย์เป็นลูกศรรูนย์อย่างเด็กวัดอย่างลูกศิษย์ก็เป็นลูกศูนย์ก็หามันยากพอเป็นเด็กอาศรรยัยวัดจะคอยรับใช้ในลำบากบางทีอาจารย์ฉันข้าวไม่มีน้ำมันก็ เกิดสาลักแล้วก็ตายตายพอดีเลยเลยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเพราะว่าเด็กไอ้ในกรณีนี้พวกอาจารย์จะไปพูดอะไรมากไม่ได้คล้ายๆกับว่าเป็นการเห็นตัวเองเห็นแก่ตัวงั้นก็ปล่อยไปเรื่องสํานึกพระรูธธ้ทีเจ้าจึงสอนให้ให้กุลบุตรกุลธิดาสํานึกเอาเองคืออาจารย์จะไปสอนให้ช่วยอุป ถ, ถากตัวเองช่วยรับใช้ตัวเอ ง, งมันรู้สึกจะเอาเปรียบเด็กมากไปแต่ที่จริงนั้นก็คือการสร้าง การสร้างกิริยาเพื่อต้องการรับปฏิกิริยาจากอาจารย์แล้วก็ด้วยอุปถาคบารุงอุปถาคบำรุงเวลาเจ็บไข้ไม่สบายอะไรตัวไหนแล้วการเรียนศินละปะวิทยาโดยความเคารพซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นการแสดงความเคารพทางในตัวอาจารย์ทางในวิชาความรู้แล้วก็เรียนหนังสือนั้นด้วยความเคารพ คือทั้งทังในตัวหนังสือที่เราเรียนด้วยงั้นจะเห็นได้ว่าโบราณนี่เราให้ความเคารพหนังสือมากนะเกนที่กันในปัจจุบันนะฮะเด็กนั่งเรียนหนังสือในปัจจุบันนั่งคุยคุยกันพื้นเพื่อนแก้วหนังสือวางเรารองนั่งเฉยๆเรียบร้อยอะก็มันเสื่อมคือสรุปว่าเป็นความเสื่อมความเสื่อมประการหนึ่งยิ่งหนังสือเป็นธรรมะแล้วเสื่อมใหญ่อย่างท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพเนี่ย หนังสือของท่านท่านไม่วางไว้ที่ต่ำเลยถ้ามีหนังสือที่เป็นปกพระพุทธรูปอยู่ด้วยแล้ววางขึ้นหิ้งหมดเลยยกเวน้นหนังสือโพธิรักแม่เข้าบ้านเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือท่านเทิดทูนสักการะจริงๆเทิดทูนหนังสือเทษทูนธรรมะของพระพุทธเจา้าจริงแล้วก็เบียนศินละปะวิทยาโดยความเคารพนั้นก็อย่างที่ท่านแสดงนะฮะมีศรัทธา แล้วเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้ฟังคําสอนเมื่อฟังก็เงี่ยหูลงฟังกําหนดข้อความพิจารณาข้อความน้อมนํามาปฏิบัตินี่คือเรียนแบบความเคารพซึ่งท่านแสดงรูปของความเคลื่อนไหวทั้งทางกายและทางจิตมันเป็นการปรับทั้งทางกายและทางจิตซึ่งถ้าหากว่าเรียนอย่างแนวที่ท่านว่าจริงเนี่ยมีสตากเข้าไปหา เข้าไปนั่งกล้ายความคำสอนเงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความพิจารณาข้อความเจ็ดลดับนะฮะเป็นความเคลื่อนไหวทั้งทางกายทั้งจิตมันปรับเข้าไปหาคำสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนซึงแน่นอนเลยเกินว่าถ้าเรียนหนังสือในลักษณะนี้นักเรียนก็คงจะไม่มีปัญหา้หเดินกระวนขอเกรดกันเพราะว่าความรู้ความเข้าใจจะต้องเกิดขึ้นพอที่จะทาเกรดได้สูงขึ้นมาได้ ประการต่อไปก็คื อ, ห น, อนะหน้าที่ของสิทธ์นะหน้าที่ของสิทธ์ก็คือลูกขึ้นยื น, ยนรับเข้าไปรับใช้แล้อุปถาทเรียนดีแล้วก็ เ, เรียนศินละปะด้วยตั้งใจเรียนก็เรียนศินละปะวิชาโดยความเคารพประการต่อไปก็คืออาจารย์เมื่อสิทธ์ได้บำรุงชนีแล้วนะฮะก็อนุเคราะห์สิทธ์ด้วยสถาน5เหมือนกัน ต้องแสดงชุดห้าทั้งหมดก็คือหนึ่งให้เรียนดีแนะนําดีอันนี้หมายความทั้งว่าให้เรียนดีคือสิ่งที่นํามาสอนเนี่ยนำมาสอนนํามาแนะนําก็เป็นเรื่องที่ดีๆนะไม่ใช่ว่านําเรื่องสเพระไร้ประโยชน์อะไรหรือนอกหลักสูตรบางทีอาจารย์ไม่ได้เตรียมการสอนมาก็มาเล่านิทานตือนๆไปปนๆวัน ระพนุทาเด็กก็ไม่ได้อะไรแต่เด็กชอบนะฮะสอนในลักษณะนี้เด็กชอบแต่หาการกล่าวกล่าวแต่นี้เขานิยมกันมากในวงการศึกษานี่คือพยายามที่จะให้มีเรื่องตลกโบกหาอยู่เรื่อยโดยติดในจิตวิทยาความรลังขี้นกทั้งหลายบอกว่าคนจะมีความสนใจอยู่ได้เพียง15นาทีในวงการศึกษาก็ตื่นกันเรื่อยๆไม่จริงหรอกฮะหล อ, อกตัวเองเฉยๆคนอะไรไปสนใจการศึกษาจะได้เพียง15นาทีจะทําทอะไรกินได้ จริงมันอยู่ที่การฝึกอะ่ะคือจิตเราฝึกได้ขนาดไหนยังวังก่อนมาไปอบรมที่จังหวัดสระบุรีวันที่15นี่พูดสามชั่วโมงพระไม่กระดิกกระเดียไปไหนเลยนั่งพับเพียบเรียบร้อยพระประมาณเจ็ดแปดร้อยญาติโยมจีพราหมอะไรเต็มลานวัดไม่เห็นกรลุกขึ้นไปไหนกันนั่งสงบเรียบร้อยนี่ก็แสดงว่าก็มีความสนใจจะได้ทั้งสามชั่วโมงการให้เรียนดีคือหมายถึงตัวเนื้อหาวิชา ที่เรานํามาอบรมมาแนะนําสั่งสอนจะต้องเป็นเรื่องดีๆแล้วก็แนะนําดีซึ่งหมายถึงว่าเป็นอุบายวิธีนะฮะเทคนิคในการสอนในการแนะนําซึ่งยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นเพตัมัธยาสัยของของนักเรียนโดยตามไอสิ่งแวดล้อมต่างๆปัจจัยสิ่งแวดล้อมอะไรที่จะเอื้อมหนวยต่อการเรียนการสอนครูก็ต้องสามารถใช้ไอสิ่งรอบตัวนั้นให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน แล้วก็บอกศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพลางก็นี่เป็นแนวโบราณนะฮะซึ่งท่านจะเห็นว่าคือแนวโบราณจริงๆเนี่ยก็จะไม่สอนลูกศิษย์หมดเพราะลูกศิษย์บางคนมันเกิดทรยศได้พอรู้ว่าเห็นว่าตัวเองรู้เท่าเทียมกับอาจารย์แล้วก็ไปลองดีกับอาจารย์ท้าทายอาจารย์ทาแกเกิดบ้าขึ้นมาไม่มีใครปราบ อย่างพวกวิชาที่เกี่ยวกับพวกดาบพวกอาวุธพวกอะไรเวทมนต์คาถาเนี่ยเพราะฉะอาจารย์จะต้องขยักไว้จะต้องขยักไว้ส่วนหนึ่งเผื่อว่าลูกศิษย์เกิดเป็นพิษขึ้นมาใครปราบไม่ได้อาจารย์ปราบเองนี่ก็เป็นเป็นความรับผิด ช, ชอบอย่างหนึ่งของอาจารย์แต่ที่พระเจ้าทรงสอนให้บอกโดยสิ้นเชิงไม่ปิดบังอัมพรางนั้นหมายถึงไอ้ขีดความสามารถในการรับรู้ของนักเรียนนะฮะ คือไม่ใช่ว่าจะสอนหมดภูมิอย่างนั้นนักเรียนก็รับไม่ไหวแต่หมายความมันก็เหมาะสมแก่ภาวะแก่ชั้นนั้นๆน่ะชั้นนั้นๆระดับก็เรียกระดับอินทรีย์ในสมัยโบราณก็คือระดับความพร้อมที่จะการเอ่อที่จะเรียนที่จะรู้ของนักเรียนไอ้กิจความสามารถขนาดไหนก็บอกกไปไม่ซ่อนเร้นปิดบังอะไรเอาไว้แล้วก็ยกย่องให้ปรากฏในท่ามกลางเพื่อนฝูงหรือหมายความว่า เวลากระทำดีก็ยกย่องเพราะเรื่องของเด็กนั้นก็ลูกยอ ก, กอไผ่นะฮะเออถ้าหากว่ามีการยกย่องแกอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรก็ให้เพื่อนตบมือให้มันก็หน้าบานมันต้องควรแต่ทําให้แกเกิดความกระตือรือรน้นจะมีการเรียนแบบคนเราก็ชอบเรียนแบบพระพุทธเจ้าเองก็ทรงใช้แนวเนี้ยเวลาจะกระตุ้นให้พระเกิดความสํานึกอะไรก็โอองค์หนึ่งมายกย่องพระเฮโลสารภาตามไปจนยกย่องกรรมาฐานยกย่องทุ ด, ดงยกย่องการเรียนวินัยยกย่องการทรงจะะํานี่ย แล้วก็ประชุมพระยกย่องยกย่องขึ้นมาองค์นี้มีความสามารถอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นๆๆๆๆๆๆๆๆพระก็อยากได้หน้าอย่างนั้นบ้างก็เลยก็เฮโลสารภาไปทํากันมันมีผลในทางจิตวิทยาพระเจ้าทรงใช้ประจําเพราะงั้นเอตตาทักษะของ พ, พุทธเจ้าจึงมีตั้ง80คนมี80คน80องค์นะครมีทั้งพระทั้งภิกษุทั้งภิกษุทั้งภิกษุณีทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาก็คือหน้าที่ของอาจารย์นะ ในฐานะหน้าที่ของอาจารย์ก็คือยกย่องให้ปรากฏในถ้ำกลางเพื่อนผู้อื่นเเวลาใครทําดีพระพุทธเจ้าก็ยกย่องเพราะงั้นจึงมีสูตรของพระพุทธเจ้าที่หนังสือบินสยามรัฐเอาไปลงเป็นผัวหรือยกย่องคนที่ควรยกย่องตำหนิคนที่ควรตำหนิแต่อาศัยการกระทํานะฮะไม่ใช่อาศัยอากติอาศัยการกระทำ ข, ของเขาเป็นตัวกําหนดการยกย่องหรือการตำหนิแล้วก็ทําการป้องกันในที่ทั้งหลายซึ่งหมายความว่า เชนลูกศิษย์ลูกหาจะไปในที่ใดลูกหาจะมีอันตรายต่างๆก็บอกกล่าวออสถานที่พักสถานที่จะไปนะบุคคลที่ควรจะคบหาเป็นต้นหรือมีหนังสือฝากฟังไปอย่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิชยานวรรถเนี่ยมาเคยเป็นคนหลักฐานต่างๆเพื่อจะคัดลอกรักษาตนฉบับไว้หนังสือมันก่าวมากแล้วได้เห็นแล้วก็ประทับใจเลยเกินคือลูกศิษย์ของท่านจะไปไหนท่านมีหนังสือนําไปเลย แล้วก็บอกรับรองอะไรต่ออะไรไปฝากฝังไปคือทำการป้องกันในที่ทั้งหลายรู้สิทธิจะไปที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนไม่ลำบากหน้าที่นี้อาจารย์ในปัจจุบันก็ทำกันก็ทำกันมากโดยเฉพาะจริงๆก็คือพวกครูประชาบาลที่มีความผูผกพันกับเด็กสูงแต่ก็ทราบข่าวว่าก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันมันลูกคนนะฮะแต่ว่าไอลกอมันเลี้ยงมันออกจะมีปัญหานิดหน่อย กินนมโคคนมันเกิดแต่โคมันเลี้ยงเลยก็ออกมาพิโกนพิโกนไม่รู้จะเป็นคนหรือเป็นโคกันแน่ก็ทําให้มีปัญหาว่าครูประชาบาลบางทีนี่ถูกลูกศิษย์แทงได้เลยฆ่าได้เลยแต่มีบ่อยที่สุดเพราะว่าลูกศิษย์แกโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ครูก็คือครูก็เห็นลูกศิษย์ออกนอกลู่นอกทางก็ปกป้องไว้ห้ามปรามไว้แกไปทําเกะกะระรานอะไรครูก็ไปแนะนํากเตือนปรากฏว่าก็มีปัญหาอยู่โดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยมีอยู่บ่อย ตอนนี้ก็ถือว่าอาทิตย์เบื้องขวาอาจารย์คุณระบุตรุลธิดาก็ปิดไว้ด้วยด้วยการปฏิบัติเช่นนี้อาทิตย์เบื้องหลังคือหนึ่งยกย่องยกย่องนับถือว่าเป็นพัญญายกย่องนับถือนะฮะแล้วก็นับว่าเป็นพัญญาแล้วก็ยกย่องมาเป็นพัญญาด้วยไม่ใช่ว่าไปไหน <S <S เพื่อนถามมาใคร <S <S บอกว่าน้องญาติมาจากต่างจังหวัดอะไรทนหน้าตาไม่ค่อยดีบอกก็เด็กรับใช้ไปเลย อย่างนี้ก็ฆ่ากันแน่เกิดเนี่ยก็เป็นหลักคำการยกย่องยกย่องให้เกียรติในฐานะเป็นพัญญาแล้วก็ไม่ดูหมินนะฮะด้วด่าว่าเคยจะพูดจะจากับพัญญาเนี่ยจะต้องพูดจาโดยถ้อยคําที่ดีๆอย่างเรื่องโคนั้นทิวิสานะฮะขนาดว่าโคยังต้องการคําพูดที่ดีๆสามีพัญญากานันพูดยังขี้ข่าในเรือนเบีย้ยมันก็อยู่กันไม่ไหวแต่ก็ให้ใช้คําพูดที่ดีๆแล้วก็ มอบความเป็นใหญ่ภายในบ้านในฐานะที่เป็นแม่บ้านคือแม่บ้านก็บอกมาแล้วแม่บ้านพ่อเรือนออก็มอบความเป็นใหญ่ในภายในบ้านในข้อนี้พระตกระถาจารย์ท่านบอกไม่ว่าแม้ว่าสามีจะให้สมบัติเป็นนันมากแต่ถ้าไม่ให้ความเป็นใหญ่ภายในบ้านเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถที่จะให้พัญญาก็พอใจได้แล้วก็ถ้ามอบหมายความเป็นใหญ่ให้ แต่ว่าต้องให้เขาใหญ่จริงๆนะฮะแล้วไม่ใจไปก้อนแคะมาทําแกงจืดไปเปรี้ยวไปเค็มไปอะไ ร, ระเดี๋ยก็เกิดภาวะจานบินขึ้นในครัวก็มีมปัญหาอีกคือหมายความว่าเขาทําอะไรมามันก็เรถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษากันในบางเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องยอมรับไปแล้วก็ให้เครื่องประดับตกแต่งพวกของขวัญพวกรางวัลอะไรต่ออะเนี่ยฮะซึ่งก็เป็นงานที่ อีกประการหนึ่งเลยคือยาประพฤตินอกใจนี่ตัวใหญ่มากข้อที่3นะฮะทรงวางไว้เป็นข้อที่3ไม่ประพฤตินอกใจคือไม่มีหญิงอื่นนอกจากปัญญาตัวเองซึ่งเป็นหน้าที่ของกุลบุตรที่จะต้องปฏิบัติตามทิศเบื้องหลังแล้วก็เมื่อสามีปฏิบัติอย่างนี้ ทรงใช้คําว่าพัญญาเมื่อสามีบํารุงชนีแล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5คือเนื่องจากการงานดีคืองานที่เป็นหน้าที่เป็นกิจการเป็นความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นแม่บ้านก็จะจัดการงานดีอันนี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะจัดงานดีเราไม่แน่บางทีไปเล่นพพ่เพลินมันก็มีเยอะเลย คือว่าเอาแต่ว่า <c oughs> มันจะต้องสร้างปฏิกิริยาขึ้นมาตอบสนองกิริยาที่สามีกระทําแต่ส่วนมากแล้วมันมันจะมีลักษณะหนุนช่วยกันนะฮะคือถ้าฝ่ายหนึ่งสร้างกิริยาขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองในรูปเดียวกันที่มันมีปัญหาเนื่องจากเราไม่มีการวิเคราะห์ตัวเราแต่เราวิเคราะห์คนอื่นด้วยวิเคราะห์คนอื่นด้วยก็ทําให้เกิดเป็นปัญหาคือว่าต่างฝ่ายต่างก็ชี้หน้า ชี้หน้าต่อการอะรกันนะอีก4นิ้วชี้ก็หาเราอีกนิ้วหนึ่งชี้หน้าเพื่อนก็ที่จริงมันก็โจทย์รอไปในตัวด้วยคือมันมันขาดการวิเคราะห์ตัวเองจะมองสามีเอ่อถ้าปัญญาก็มองสามีในแง่ที่จะต้องเป็นยังไงยังไงยังไงนะขีดเส้นในเดินปัญญาไอ้สามีก็ขีดเส้นในปัญญาเดินอย่างนั้นและในที่สุดเมื่อไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการมันก็เกิดความแตกแยกกันแต่ถ้าเราลองวิเคราะห์ตรวจสอบหน้าที่ทั้ง5นี้ไม่มีปัญหานะฮะคือถึงแม้จะ มีอยู่เพียงหข้อสภาพทางสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามแต่ท่านจะเห็นว่าพอปฏิบัติไปแล้วมันในครอบครุมเนื้อหาต่างๆ เ, ออเงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ในสังคมได้ก็เรียกว่าทั้งหมดเลยแหละไม่ต้องไปนับเพิ่มเวลาปฏิบัติไปเองไม่ประพฤติล่วงใจนะไม่ประพฤตินอกใจของสามีซึ่งก็คือไม่มีชายอื่นนอกจากสามีแล้วก็ รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้เออลืมไปข้อที่สองก็คือสงเคราะห์สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีอันหนึ่งจากการงานดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีสามไม่ประพฤตินอกใจนะพระพุทจาจัดจัดข้อมาตรงกันไว้เลยนะฮะคือว่าอยู่ที่ข้อสามทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายแล้วก็รักษาทรัพย์สมบัติของสามีเอาไว้ แต่สามีทําการงานอะไรๆได้มาก็ปกติก็มอบมอบหมายให้แต่ปัจจุบันมันจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบบางทีก็มอบหมายให้บางทีก็ไม่มอบบางทีมอบปัญญาไปเล่นไพ่หมดสามีก็ไม่มอบสามีก็ไปกินเหล้าหมดเลยก็ทะเลาะกันแต่ถ้าหากว่าเออเรามาวิเคราะห์กันหน้าที่ของเราในแต่ละจุดนะฮะก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะจุดกลางในการอยู่ร่วมกันได้ ปัญหาที่ไม่ควรละเลยก็คือตรวจสอบว่าเราบกพร่องข้อไหนมั่งในห้าข้อแล้วก็ขยันไม่เกียจคร้านในกิจงานกิจการงานทั้งปวงซึ่งบาลีนั้นใช้คําว่าไม่นั่งแฉะในที่นั่งไม่ยืนแฉะในที่ยืนไม่นอนแฉะในที่นอนนะก็ถึงเวลาก็ทำทำหน้าที่การงานซึ่งในกรณีนี้ที่ท่านธ น, นชัยเศรษฐีสอนนางวิสาขาที่บอกว่านั่งให้เป็นสุขยืนเป็นสุขบริโภคเป็นสุข หรือเขา้าเป็นสุขหมายความว่าไอ้กิจการงานที่เราจะต้องจัดจะต้องทําต้องเสร็จแล้วแต่เราถึงไม่เป็นนั่งในที่ที่จะต้องลุกจะไปนั่งขวางประตูนั่งคาบันไดยอย่างที่โบราณนั้นถือในสมัยนี้น่ากลัวเหลือเกินฮะบางทีขึ้นบันไดไม่ได้ฮแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มเดินไม่เป็นสุขคือเดินจะเต็มถนนยังถนนในวัดบางทีก็ เ, เดินกันสี่คนเราก็เดินตามหลังต้อยแ ต, ยตย่หาทางแสงไม่ได้เลยมันเต็มถนน ก็ต้องหาทางแยกไปหลบเอาที่มุมใดมุมหนึ่งคือมันก็เป็นเป็นเรื่องเป็นความนิยมที่แปลกเด็กเด็กก็ได้แต่ได้เหมือนกันเดินถนนในวัดนี่แกเดินได้เต็มไหเต็มถนนไม่ไม่ไม่เว้นโอกาสให้ใครถ้าเรามาข้างหน้ามาสวนกันแกก็แยกให้ได้แต่ถ้าเราเดินข้างหลังแกก็ไม่เห็นแกก็ไม่แยกให้แกก็เดินเต็มถนนนี่ก็คือเดินที่ไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุข แต่ว่ายืนเดินนั่งนอนที่เป็นสุขก็คือหมายความว่าไอ้ภารกิจการงานต่างๆที่เราจะต้องจัดแต่ต้องทำเราก็ทำเสร็จแล้วนี่คือขยันไม่เกียจคร้านในการงานทุกอย่างก็เป็นนั้นว่าสี่ทิศนะฮะสี่ทิศก็รอบรอบตัวต่อไปก็เป็นทิศเบื้องต่าเบื้องต่าก็คือผู้คนใช้ในสมัยก่อนก็คือคือกรรมกรนะฮะ ผู้ทําการงานภายในบ้านอาจจะเป็นคนใช้อาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นอะไรก็ตามมันก็แล้วแต่ จ, จะเรียกซึ่งเราต้องสร้างกิริยาก่อนกันหรือคนละบุตรคนลธิดาคือเจ้าของนะฮะผู้บงังคับบัญชาเป็นต้นจะต้องสร้างกิริยาก่อนกันคือคือหนึ่งก็มอบการงานให้ให้เขาทําตามสมควรแก่กําลังกําลังความรู้กําลังความสามารถกําลังกายของเขาเนะะี่ย อย่าให้อย่าให้เขาทำอะไรเกินความรู้ความสามารถและกาลังกายเพราะมันจะเสียงานแล้วก็ให้อาหารให้อาหารให้รางวัลต่างๆแจกของแปลกรถมีรถให้กินปล่อยในสมัยนะฮะก็สรุปเป็นอย่างนั้นซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าประเด็นอื่นๆบางก็ชัดนะฮะแต่ประเด็นที่เรียกว่าปล่อยในสมัยคือ มอบหมายงานให้ทําตามสติกามันมางนะฮะแล้วก็ให้อาหารให้รางวัลซึ่งกระหมถึงในปัจจุบันก็เป็นพวกเงินเดือนพวกอะไรเนี่ยพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆแล้วก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาก็ อ, อย่าว่านั่งกินเจคนเดียวจนลูกน้องนั่งน้ํำลายไหลจะก็รู้สึกน่าเกลียด น, นะในกาศีระเตศสุขขังท่านบอกว่าบริโภคคนเดียวไม่เป็นสุขบริโภคคนเดียวไม่เป็นสุขในกสิสูตรกสิภารัตวาชาสูตร พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพรามที่พารัทวาชะแกกำลังรับประทานอาหารพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านไปแล้ก็ไอ้ธรรมเนียมที่เขาถือกันว่าบริโภคคนเดียวไม่เป็นสุขนี่แต่แกเองกับแกขี้เหนียวแกก็ไม่อยากให้แกก็บอกพระพุทธเจ้าว่าสมณะข้าพเจ้าไถหวานดำอะแล้วก็เก็บเกี่ยวหุงต้มมาเนี่ยจึงได้รับประทานอาหารท่านก็ควรจะทาอย่างนั้นบ้าง คือนางทำอย่างนั้นบ้างถ้าหากว่าต้องการจะรับประทานอาหารพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าพระองค์ก็เป็นชาวนาเหมือนกันแล้วก็ในที่สุดก็ทรงเทศเรื่องการทํานาให้ฟังนี่คือพื้นพื้นที่มันออกมาเรียกว่ามันก็เขินคือถ้าไม่ให้ัก็เขินแต่ถ้าให้ก็เสียดายเพราะ ง, งั้นก็หลบมุมออกไปพูดในเรื่องว่ากว่าจะได้กินในทํางานมันเหนื่อยนะเพราะงั้นก็อยากจะกินก็ทํางานจะบ้างนะฮะแต่ว่าก็เป็นการติงในทีแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศเรื่องการทํานาของพระองค์ เออเพราะงั้ น, นการให้อาหารให้รางวัลหรือแจกของมีรถให้กินเนี่ยนั่นก็เป็นการสร้างอัตยาศัยมิตรีอย่างหนึ่งสร้างอัตยาศัยมิตรีซึ่งดังครั้งมันเป็นค่าของน้ําใจมากกว่าค่าวัตถุค่าวัตถุมันไม่มีอะไรหรอกแต่ค่าน้ําใจนี่ยมันมีมากยแสดงว่าเราให้ความสําคัญก่บเขาเราถือว่าเขาเป็นพักพวกเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นมิตรของเรา มันไอ้ได้ค่าน้ำใจที่ที่ที่เราคิดออกมาไม่ได้แต่ค่าวัตถุเองมันก็มีความจำกัดอยู่ในตัวแล้วก็ปล่อยในสมัยซึ่งจะเห็นว่าในยุคสมัยนั้นเขามีธาตุนะฮะมีธาตุพระพุทธเจ้าไม่ถึงก็เข้าไปแทรกแซงไม่ถึงก็เข้าไปแทรกแซงที่จะไปรณรงค์อะไรเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนานะฮะไม่ได้มีอะไรปนการเมืองแต่ก็ทรงแนะนาวิธีที่จะปลดปล่อยธาตุเอาไว อย่างน้อยก็ปล่อยเมื่อถึงคราวเช่นกาหนดปันเดือนปีก็ปล่อยเขาเพราะงั้นปล่อยก็ต้องมีสองสมัยเหมือนกันคือนิจจสมัยเนว่าทำงานแล้วเหนื่อยแล้วก็ควรจะหยุดให้ลูกน้องได้พักผ่อนไม่ยใ่ว่าอย่างสำนวนที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาเรียกอะไรควายต้นไม้ท่านกาชาติควายท่าราดถาดปชีหนูอะไรเนี่ย ในชีหนูเนี่ยเขาบอกว่าธาตุของแกใครเป็นธาตุแกแล้วก็ช้ จ, จนตายแหละหรือเจ็บไายได้ป่วยนี่ไม่ยอมให้หยุดเลยมีเครียดมีตีมีทุกอะไรแต่นี่หลวงพ่เจ้าก็สอนให้ปล่อยคือว่าเมื่อเขาทำงานพอสมควรแล้วก็ควรจะได้พักผ่อนไม่ใช่อะไรเขาเกินเกินกาลังความสามารถของเขาแล้วก็ในคราวนักขัตฤอกร์อะไรต่างๆก็ให้เขาได้พักผ่อนได้เที่ยวได้สนุกสนาน ซึ่งก็ท่านจะเห็นว่าในธุรกิจต่างๆในปัจจุบันนี้ก็ออกก็จริงยังทําไม่ค่อยได้ตามที่ทรงแสดงนะฮะแสดงไว้เพียงห้าข้อท่านนั่นเองแล้วจะเรียกว่าอะไรบา่าวกรรมกรลูกน้องคนใช้อะไรเนี่ยซึ่งนายให้การบำรุงเช่นนี้แล้วก็อนุเคราะห์นายด้วยสถานห้าเหมือนกันคือหนึ่งลูกขึ้นทางานก่อนนายแล้วก็เลิกงานทีหลังนาย แล้วก็เอาเฉพาะแต่ของที่นายให้ไอ้ตรงเนี้สําคัญเอาเฉพาะของที่นายให้จริงๆมันสําคัญทุกข้อนะครัคัญทุกข้อเราจะเห็นว่ายังไม่ใช่ไปนินทาราชการนะฮะระบบราชการบางแห่งเนี่ยทํางานสบายมากมาทํางานสามโมงแล้วยังไม่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์กินน้าําชาคุยกันนะยังไม่ยังไม่ได้ทํางานนะ่ะะาเพราะอะไรเพราะหัวหน้ากองหัวหน้าแผนกอะไรยังไม่มา ถ้าากว่าจะทำงานตามแนวที่ทรงแสดงไว้เนี่ยสี่หข้อเท่านั้นแต่การงานมันจะได้เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิ ผ, ผลขึ้นเยอะแล้วก็ถือเอาเฉพาะของที่นายให้หมายความว่าเงินเดือนอะไรรางวัลอะไรก็ตามที่ทรงแสดงไว้ในหน้าที่นี่เราก็เอาเฉพาะเท่านั้นแล้วก็ขยันในการทางานแล้วพยายามพัฒนาตัวเอง พัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นคือทำการงานให้ดีขึ้นเมื่อเช้านี้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเมื่อวานที่จริงมันมาจากเมื่อวานนะข้าราชการจากกระทรวงศึกษาธิการเขาไม่ใช่จากวิทยาลัยสูนสนั่นก็มาถามว่าคำว่าอาวุโสนี่มันหมายความวม่าอย่างไงอาตมาบอกมันเฉยพอๆก็บคำว่าอาจารย์คำว่าครูที่จะใช้กันในวงการศึกษานี่ฮะ คาว่าอวุโสนั้นถ้าแปลเป็นไทยก็คือเธอเองมึงอะไรเนี่ยที่ภาษาไทยเราใช้กันเนี่ยมั้นไม่ได้มีคําพิเศษอะไรนะเป็นคําที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อยนะเป็นอารปันณะเป็นคําร้องเรียกเป็นสรรพนามเป็นสรรพนาเป็นคําร้องเรียกแต่เขาเรียกเป็นเป็นเป็นอารปันณะเอ่อซึ่งพระพุทธเจ้ารับสั่งไว้ก่อนจะมันนี้พานให้พระผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยว่าอวุโสเราแปลว่าผู้มีอายุเวลาแปลน่ะแปลว่าผู้มีอายุ เราก็นึกว่าอายุมากเลยก็มาใช้ระบบก็แปลทับเป็นพวกอะไรซินลิตี้อะไรนี่ก็ถือกันเป็นระบบบูโซแล้วก็ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยเรียกพันเตอร์ผู้เจริญมีอายุก็หมายความว่าเรายอมรับว่าเขาเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้เจริญก็เจริญด้วยคุณด้วยวัยด้วยชาติเอที่จริงศาสตร์ันก็ให้อยู่แล้วก็เราก็มาแปลมาเกิดเกิดสับสรทีนี้ ไต้จากระบบนี้ฮะก็เมื่อเมื่อเช้าเนี่ยอ่านขานัองสือพิมพ์ที่เขาเขียนมาบอกว่าการไปกำหนดว่าเท่านั้นปีจึงจะเลื่อนชั้นกันเนี่ยไม่ถูกต้องอันนี้มาเห็นด้วยเเพราะว่าคนบางคนมันสามารถเกินตัวแล้วปล่อยไปกักไว้ปล่อยให้อาวุโสมันลอยตัวขึ้นไปบางทีมันกลายเป็นคนโม่ขยันขึ้นไปถึงอธิบดีแล้วมันก็เฉย ไอ้คนดีๆมันก็เลยมันก็ไม่ได้ทํางานรับใช้าชาติบ้านเมืองวัดวารามันก็เหมือนกันเอาอยลอยตัวขึ้นไปบางทีเอาคนโง่ขึ้นไปเป็นสมภารเอาคนฉลาดไปกลับไว้ปนอนบางสกุลอยู่แล้วงานบ้านเมืองงานศาสนามันเสียไปหมดเลยระบบนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงกําหนดระบบพรรษาอายุเนี่ยว้ข้างล่างสุดเลยแต่พระเจ้าจะภิกษุผู้ฉลาดสามารถทรงธทำ ท, ท, ทรงวินยัยมีความรอบรู้เข้าใจจัดการงานจะขึ้นอย่างนั้นหลย พิสูจนผู้เหลาดสามารถจะขึ้นมาอย่างนี้เลยคือเอาเอาความรู้เอาความสามารถเอาคุณสมบัตินำแล้วก็จบลงด้วยอายุพอสมควรนะอายุนี่จะว่ายข้างหลังตลอดเไม่เคยเรียงว้ข้างหน้าเพราะในแง่ของการทํางานจริงๆมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถอยู่ที่คุณธรรมภายในใจของบุคคลผู้นั้นไม่ใช่ว่าเอาให้ผู้ใหญ่ท่านไปก่อนให้ผู้ใหญ่ท่านไปก่อนเนี่ยระบบทางบ้านเมืองทางศาสนานี่หลงคําว่าอาวุโสกันตั้งแต่ต้น คืออวุโสเนี่ยเขาหมายถึงเด็กนะฮะไม่ได้หมายถึงผู้ใหญ่อวุโสในหมายถึงเด็กแต่เราเอาไปใช้เป็นผู้ใหญ่ก็ใกล้ายๆกับครูอาจารย์นะอาจารย์แปลว่าพี่เลี้ยงนั่น่างผู้ดูแลความประพฤติแต่นั่นเด็กพี่เลี้ยงธรรมดาธรรมดานี่ยเขาว่าครูในหมายตังตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมานะแล้วเรามาสับกันเถอะนถ้าถ้าเป็นระดับอาจารย์ได้ปริญญาตีแล้วใครไปเรียกครูนี่ไม่ไม่พอใจนะ นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารในวงการศึกษา <c oughs> อย่คือคือสับแสงก็ก็มีที่ไปที่มามีต้นตองเขาเนี่ยการใช้เราก็เกิดสับสนนี่ก็เราจะเห็นว่ามันมั น, ม, นมันอยู่ที่ว่าไอ้คนเนี้ยพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองขึ้นไปหรือไม่ไม่ใช่ว่าปีหนึ่งขอขัน้นหนึ่งปีหนึ่งขอขัน้นหนึ่งไอ้งานยังทําเท่าเดิมอะเงินเดือนมันเพิ่มขึ้นแต่งานมันทำเท่าเดิ ม, ด ม, ม, ดมวันมันพิมพ์ดิดสามแผ่นมันก็พิมพ์สาแผ่นในงานทั้งปีแล้วเงินเดือนแรกก็ต้องเสียเรื่อยๆ อ, อ, อย่างงี้มันก็เอาเปรียบรัด เพราะฉั้นมันต้องดูที่ความรู้ความสามารถมีผลงานดีเด่นอะไรตัวไรเนี่ยข้าวคือระบบเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราต้องการความเจริญกาา้าวหน้าพัฒนาขีมือขึ้นไปทำตัวงานเด็กให้ทําการงานของตัวนั้นดีขึ้นมันขึ้นไปเองแหละไม่ใช่อมาด้วยการเรียกร้องถือว่าฉันอาวุโสฉันจะต้องไปก่อนอย่างนั้นไม่ได้าศาสนาไม่มีลับธนะอย่างเงี้ยบ้านเมืองเราก็มีลับธนะอย่างเงี้ยเอาแต่อวุโสอวุโสเลยกลายเป็นคนโงข่ขยันยเยอะแยะไปหมดเลยในบ้าน แล้วก็ทํางานแล้วก็เสียเองไอคนที่ฉลาดสามารถจริงๆเหมาะแกะ่ยุคแก่สมยัยจริงๆไม่มีเวลารอให้แกจะก่อนึปทางานพอทํางานของแกแล้วก็ซิงเซ็งไปเฉืยๆสมองไม่ค่อยเล่นด้วยไอก็ไม่ทํางานเลยก็อยู่ด้วยระบบที่อยู่กันอย่างเงี้ยนี่คือเราจะเห็นว่าเราหลงประเด็นตั้งแต่ต้นในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถือไอเรื่องอายุมากเป็นสำคัญ จะถือความรู้ความสามารถท่านลองนึกดูนะครับภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยที่เป็นอักสาวกยอดสาวกสององค์ซ้ายขวามระุทเจ้าเนี่ยมีเพื่อนบวชก่อนท่านไม่น้อยกว่าพ0นเรูปพันเกรูปภาษารีบุตรบวชเป็นคนที่พันเสิบเอ็สมมติว่าคือเราไม่รู้ว่าท่านบวชชุดทั้ง2อ0องค์เราไม่ไม่ทราบองค์ไหนบวชก่อนแต่ว่าจะยังไงก็ตามฮะท่านอ่อนกว่าเพื่อนอีก 1 9ึ่รูปแต่ท่านได้เป็นอัครสาวกเพราะอะไรพร ะ, พระวจ้ากําหนดที่ความรู้ความสามารถกําหนดที่คุณสมบัติไม่ได้กําหนดที่ที่อายุอย่างเดียวาอายุอย่างเดียวต้องเอาปัญญากฏัญญะนะฮะท่านแก่มากปัญญากฏัญญะเนี่ยมาถึงชุดนี้ก็สงสแสดงแนวเดิมนะฮะทิศ เ, เบื้องต่ําอันกุลระบุตรปิดไว้ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปก็เป็นทิศเบื้องบนคือสมณะพราหมณ์ ได้แก่นักบวชในาศาสนานั้นๆไม่ว่าจะนักไอในาศาสนาใดก็ตามทรงใช้คําว่าสมณะปราซึ่งกุเราบวชจะต้องบํารุงด้วยสถานหาซึ่งก็ไม่ยากนะฮะคือหนึ่งจะทําอะไรด้วยกายก็ทําด้วยเมตตาจะพูดอะไรด้วยวาจาก็พูดด้วยเมตตาสามจะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาสามข้อนี้คือสรุปว่า ให้มีเมตตาไมาตรีจิตต่อท่านซึ่งกําลังเป็นปัญหาในบ้านในเมืองเรานี่ฮะเวลาเราพูดถึงศาสนาแม้แต่พวกพุทธสมาคมเองนะฮะประชุมเรื่องพระพุทธศาสนามานั่งด่าพระกันได้เป็นชั่วช่วโมงคล้ายๆกับพระพุทธศาสนาคือพระพระพุทธศาสนาคือพระพระนั้นเป็นขาเก้าอี้ขาหนึ่งในเก้าอีส้สขาแต่นั้นเอง จริงโยมทั้งหลายนี่แหละมันก็คือตัวพระพุทธศาสนาคือตัวศาสนาบุคคลเหมือนกันเหมือนกันกบพระราศาสนบุคคลเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไมีฐานะอะไรแตกต่างกันมากมายนะเพราะงั้นการจะทําอะไรกับท่านก็ต้องทําด้วยเมตตาเลือยเฟื้ อ, อช่วยเหลือกันตามสมคว ร, รอ ง, งานบางอย่างระเบียบวินยัยกําหนดเอาไว้กับพระเราก็ทําไม่ได้โยมก็ช่วยเหลือเวลาพูดจะพูดกับท่านหรือพูดถึงก็ต้องพูดกันด้วยเมตตา ไม่จะพูดกันแบบเหมาหลวมีข่าวพระไปทําอะไรไม่ดีอยู่องค์หนึ่งวันก่อนนี่หลายปีมาแล้วมายัางเดินแถวนั้นยังสจะดุง้งเนี่ยมีข่าวหนังสือพิมพ์ว่าก็ไปจับได้ว่าพระไปอยู่อยู่ในห้องกับผู้หญิงแล้วมีข่าวทีหลังผู้หญิงหนีเข้าไปอะก็เดินบินตบาดมาแถวบางขุนพรมเนี่ยพอตรงนั้นพอดีจังหวะนั้นพอดีอู้ยพระเดี๋ยวนี้คบไม่ได้ใช้ไม่ได้เราแมา่บินตบาดจะเสียหลังวูบเลย ทำไมมันใช้คำว่าพระเดียวนี้เหรอมันหมดเมืองนะฮะมันหมดโลกเลยนะพระเดียวนี้ก็พระองค์เดียวแต่นั่นเองทำไมต้องพระเดียวนี้ด้วยล่ะนี่คือมันไม่มีเมตตาเลยพูดอะอยังเสียวหลัง ท, ทุกวันเนี่ยยังตั้งสิบตั้งยี่สิบกว่าปีเลยนะฮะมาผ่านบ้านน้นยังเป็นเสียวหลังเลยมันพูดอะไรพูดอะไรคือมันมันอดนึกไม่ได้เอ๊ะทำไมเขาเข้าใจคอเขาเป็นอย่างนี้ทําไมพูดกันอย่างนี้แล้วก็เวลาคิดถึงนะฮะคิดโดยเมตตา เราสรุปว่าเมตตาทางกายทางวาจ า, าทางใจแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือไม่ปิดบานประตูคือว่าไม่ปิดประตูหมายความว่ายินดีต้อนรับนะฮะยินดีต้อนรับก็ไม่แสดงอาการรังเกยียจรังงอนอะไรแต่ก็อย่างที่เคยบอกว่าในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะยินดีต้อนรับก็ต้องดูให้ดีนะฮะเพราะระปลอมแยะนี่กันเนี่ยบางทีก็ปลอมเป็นพระเข้าไป เียร์ไรดีกาแล้วก็จับโย ม, มัดแล้วก็ปล้นบ้านเราก็มีอันนี้ก็ต้องต้องเป็นเรื่องระมัดระวังเหมือนกันสังเกตสังกาพอสมควรแล้วก็สนับสนุนด้วยเจตุ ป, ปัจจัยนะอันนี้ก็ตามกําลังความสามารถไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทํามากมายอะไรคือมีศรัทธามีกําลังทรัพมีกําลังศรัทธาเกิดขึ้นก็ทําสมณพราหมเมื่อกุลบุตรบํารุงชนนี้แล้วก็อนุเคราะห์กุลบุตรกุลธิดาด้วยสถานหก อันนี้แปลกเพื่อนคือมัน5้ามาตลอดมาถึงนี้หเลยมาถึงนี้หข้อก็คือหนึ่งห้าแม่ทําความชั่วสอนแม่ทําความชั่วแล้วก็สามอ้สองแนะนำให้ประพฤติปฏิบัติในความดีนะพูดเรื่องดีเรื่องชั่วกันอยู่นี่แหละคอที่จริงมันก็มีดีชั่วกับกลางๆท่านั้นเด้งอ้นงั้นพูดไปพูดมายังไงงไงมันก็เจอดีกับชั่ว เราจะเห็นว่าพระจะอยู่ในฐานะอะไรเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่สอนห้ามไม่ทาความช่วยให้ตั้งอยู่ในความดีพระสอนไม่ทําความช่วยตั้งอยู่ในความดีเพื่อนสอนไม่ทําความช่วยตั้งอยู่ในความดีมิตรประเภทอนุเคราะห์เราจะเห็นว่าพระก็ต้องต้องอยู่บางครั้งก็อยู่เหมือนกับฐานะของพ่อแม่บางครั้งก็อยู่ในฐานะเพื่อนนชาวบ้านบางครั้งก็อยู่ในฐานะของพระหน้าที่จึงเหมือนกันเลยสามคนตรงวางไว้เหมือนกันสองข้อนะแล้วก็ อนุเคราะห์ชาวบ้านโดยน้ําใจอันงามเป็นการตั้งใจอนุเคราะห์จริงๆนะฮะไม่ใช่ตกเหยื่อคือคือไม่ใช่อ่อยเยื่อไม่ใช่สงเคราะห์ชาวบ้านชาวบ้านมาแล้วให้พระเครื่องไปองค์หนึ่งวันหลังอาตมาจะไปทอดปลาป่าเนะี่ยโยมช่วยด้วย <c oughs> อย่างนี้ไม่ใช่น้ําใจงามนะ ค, คือช่วยก็เป็นช่วยเลยนะช่วยก็เป็นช่วยเลยแล้วก็สงเคราะห์อะไรในขอบข่ายของพระที่จะกระทาได้ ถึงเราจะเห็นว่าปัจจุบันนั้นเรียกร้องให้พระสงเคราะห์ชาวบ้านในรูปงานสังคมสงเคราะห์สูงขึ้นซึ่งเป็นการมองปัญหาแบบมุมเดียวแน่เดียวนะฮะคือยมยมจะต้องนึกว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนั้นนะปัจจุบันนี้นก็ดาว่าพระเี่ไร์มากถ้าหากว่าพระเกิดเล่นงานสังคมสงเคราะห์มันเรียร์ไรเรียร์ซ้ำซ้อนนะฮะแล้วพระจะเอาอะไรมาสงเคราะห์แล้วผลท้ายก็เปิดเก ป, ปิดการเรียร์ไรต่อ เรียอะไส่วนหนึ่งก็เพื่อวัดเพื่อระศาสนาเรียอะไส่วนหนึ่งก็เพื่อสังคมเลยโยมที่ถูกเรียอะไรเลยทีนี้ภาษีอานะ่าเน่ยเราไม่ได้มองในมุมนั้นนะฮะเรามองในมุมที่จะได้แต่เราไม่ได้มองว่าพระจะเอาเงินมาจากไหนสงเคราะห์พระก็ต้องหาหาจากไหนก็จากญาติโยมด้วยวิธีอะไรก็เรียอะไรทีนี้แหละศาสนาอาตมาบอกในกรมประชาธัมพันธ์เลยวังก่อบอกวันไหนที่พระเหติทางลงมาเล่นงานสังคมสงเคราะห์นับอายุระศาสนาได้แนละ้วว่าอีกไม่กี่วันนัดเสื่อม อยู่ไม่ได้หรอกครรูปแบบโครงสร้างของพระนั้นจะอยู่ในขอบข่ายของพระธรรมวินัยงานงานการสงเคราะห์ของพระจะออกไปในรูปไอ้กิจกรรมอย่างที่คริสเขาทานั้นไม่ได้นะฮะไม่มีทางพระคริสได้มีทุนมหาศาลจากวาติกันประโศกมาทั่วโลกเป็นเงินเป็นระบบการหาเงินอีกแนวหนึ่งซึ่งพุทธไม่ได้หาแนวนั้นพุทธไม่ได้มีเงินแนวมากมายอย่างนั้นแล้วโครงสร้างของพุทธก็ไม่ได้เหมือนของคริสเพราะงั้นอย่าคิดว่าพระพุทธจะต้องทําแบบพระคติ วันไหนพระพุทธทำแบบพระคริตก็นับวันนะฮะศาสนากํบบาลังจะเสื่อมนะฮก็ลังจะหมดไปจากโลกนะงานบางอย่างจึงต้องอยู่ในรูปที่น้ําใจอันงามสงเคราะห์ในขอบขายของเราแต่นั้นเองแล้วก็ในด้านเราจะเห็นว่าแม้จะส่งแสดงไว้หข้อในด้านรูปวัตถุจะพูดเพียงข้อเดียวเพราะก็จริงถ้าเราไม่มีอะไรไปสงเคราะห์หรอกถ้าสงเคราะห์ก็นอกจากว่าไถโา ย, ยมเวียรายโยมถึงว่าสงเคราะห์ได้มันก็กลายเป็นปฏิกิริยา เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไปหมุนแล้วคนที่ตกหนักก็คือโยมคือโยมทั้งหมดเลยเหมือนกันอะไรต่ออะไรต่างๆนะฮะไปตกที่ประชาชนไม่ว่าจะขึ้นพาสงภาษีอะไรต่ออะไรเนี่ยค้าขายของแพงขึ้นก็ไปตกที่ประชาชนแล้วก็ข้อต่อไปก็คือให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ้งแจ้งบอกทางสวรรค์ให้นี่ก็เป็นหน้าที่ของพระซึ่งจะเห็นว่าแม้จะมีหข้อแต่เป็นงานเกี่ยวกับการสั่งสอนธรรมะเชีย่ยวห้าข้อ เพราะสิ่งที่พระจะให้ชาวบ้านจริงๆแล้วชาวบ้านมีแต่ได้รับประโยชน์นั้นคือเรื่องของธรรมะเท่านั้นถ้าหากว่าออกมาในรูปอื่นแล้วโยมเองก็ต้องเดือดร้อนด้วยแน่นอนนะโยมที่ได้รับอาจไม่เดือดร้อนแต่ว่าโยมอื่นจะต้องเดือดร้อนต้องเดือดร้อนเพราะเราจะต้องขอจากยมคนหนึ่งเพื่อไปให้โยมอีกคนหนึ่งพระเจ้าจึงทรงแสดงหน้าที่ไว้ในเรื่องของพระศาสนาในรูปของพระสัทธรรมโดยเะ แต่ว่าบางคราวเราก็ต้องมีการสงเคราะห์การปฏิสันถานิการต้อนรับประสายจึงใช้คําว่าสงเคราะห์ด้วยน้ําใจอันงามคือไม่หวังผลตอบแทนอะไรนี่ก็เป็นการเรื่องชิดทั้ง6ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรุปด้วยคําว่ากุลบุตรได้ปิดทิศนั้นไว้ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แล้วชื่อว่าเป็นการปลอดเปลียนปลอดภัยเป็นการครองสุขเป็นหลักการปฏิบัติในขมัผู้ครองเรือนซึ่งใช้คําว่าขีหิบิ น, นัยนะฮบิณัยของชาวบ้านประศุทธ์นี่ยงตกลงยังไม่จบอีกกว่านี้ก็เห็นจะ ต่อในวันต่อไปวันนี้ก็ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้